ใครดีใจบ้างมาสามวันแนละ้วดีใจยกมือซิยกมือเออ้องมีความสุขใครไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมอยากกลับจากคอสแต่ไม่อยากกลับบ้านมีเหมือนกันเหนะ็นไหมมีจริง <c oughs> ๆเรื่องนานาจิตตังแต่ละคนอยากไม่เหมือนกันอยากกลับบ้านยังไม่ได้กลับก็ทุกนะ <c oughs> ไม่อยากกลับบ้านต้องกลับบ้านก็ทุกอีก นะความทุกข์ระเต้นไปหมดเลยมันทุกข์เพราะเรายอมรับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยแต่เราอยากไปอยู่ที่โน้นตอนนี้ต้องไปที่อื่นอยากอยู่ตรงนี้ถ้าเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบันได้นะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกทุกข์เหลือน้อยนะเราต้องฝึกชวนใจมันเห็นความจริงนะเมื่อทุกหนุนทุกแหงนะ มีแต่เกิดกระดับเป็นคณะคณะไปนะไม่มีอะไรอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะ อ, อยู่ที่เราชอบเดี๋ยวก็ผ่านอยู่ไม่ชอบเดี๋ยวก็ผ่านทุกอย่างไหลผ่านเราไปตลอดเวลาเราไปดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ไม่ได้หรือเราไปปฏิเสธสิ่งที่ไหลผ่านมานี่ก็ห้ามไม่ได้นะเราเจอสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง แล้วแต่เวรแต่กรรมมีกรรมดีเราก็ได้เจออารมณ์ที่ชอบใจนะมีกรรมไม่ดีเจออารมณ์ไม่ชอบใจเราเลือกไม่ได้เพราะกรรมจะให้ผลนะเราเลือกไม่ได้ว่าตัวไหนจะให้เราพอนานะจน เ, เข้าใจความจริงของโลกของชีวิตทุกอย่างเกิดจากเหตุการที่เราเจอสิ่งนี้ก็เพราะเหตุม่มีเหตุ แต่เราบางทีเราไม่รู้ถึงเหตุ น, นั้นเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยทำไมเราเจอคนเดียวคนอื่นไม่เจอบางคนซื้อลอตเตอรี่ซื้อทีเดียวก็ถูกซื้อสองทีก็ถูกเราซื้อเป็นปีๆไม่เคยถูกเลยเคยไหมเคยเจอไหมนี่ <c oughs> สิ่งที่เราเจอเนี่นะเป็นผลของกรรมกรรมให้ผลมา เราเจอของที่ดีบ้างไม่ดีบ้างของที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอิทธารม์อารมณ์ที่ชอบใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่อิทธารมมของสัตว์แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันอันิฐารมมอารมณ์ที่ไม่ชอบของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยบางคนชอบกับบ้านบางคนไม่อยากกับบ้านอารมณ์ไม่เหมือนกันถ้าเรายอมรับได้นะว่า ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันจะไม่ทุกข์มากเมื่อคนกลุ้มใจการเมืองยืดเยื้อแล้วเกินครึ่งปีแล้วไม่จบสักทีทำใจใหม่อยู่อย่างนี้แหละอีกสิบปีก็ไม่เป็นไรทำใจงี้นะเราจะผ่านไปเร็วถ้าอยากให้เร็วยิ่งช้าอยากให้ช้าก็ยิ่งเร็ว อยอมรับสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานี่นะแต่ไม่ใช่จำนวนนะไม่ใช่ยอมจำนวนอย่างสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราเช่นตอนนี้เรายากจนไม่ใช่ยอมจำนวนเรายากจนเพราะกรรมเก่าส่งผลมาให้จนทำมาหากินยากเราต้องทํากรรมใหม่ชาวพุทธไม่ยอมจำนวนกับกรรมเก่านะถ้าอยอมจำนวนกับกรรมเก่าไม่ใช่ชาวพุทธนะ กรรมเก่าส่งผลให้เราต้องเป็นอย่างนี้ต้องทํากรรมใหม่ให้ดีกว่านี้กํามเก่าส่งผลมาเกิดมาจนพ่อแม่เราจนเขยันทํามาหากินนะหาลู่ทางอะไรเข้าภาคเพียรเข้าคบคนดีๆนะรู้จักใช้ชีวิตพอประมาณทำนี้ต่อไปก็รวยขึ้นไม่จนเท่าเก่านะพระเจ้าสอนนะวิชาให้รวย ให้ขยันทำมาหากินนะพอได้ทรัพย์สมบัติมานะรู้จักรักษานะีรู้จักบริโภคพอสมควรรู้จักรักษาทรัพย์สมบัตนะิรู้จักดํารงชีวิตนะพอควรแกอัตภาพรู้จักเลือกคบคนนะคบคนไม่ดีก็ล่มจมบางคนชับชวนเราเล่นหุ้นตัวเนี้ยชวนอยู่ได้นะเราเล่นเราเจงเลย <laughs> ถ้าอยากรวยก็ต้องทำอย่างที่พู้เจ้าสอนเนี่ยนะตอนอยู่สวนโพนะหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมีบินทบาตมีชาวบ้านรู้สึกเราน่านับถือเป็นพระเงียบๆอยู่วัดเงียบๆไม่เหมือนวัดที่เขารู้จักเขาก็ยิ้วปิ่นโตตามมาที่วัด เราคิดว่าไอ้คนนี้มีศรัทธาแก่กล้าจะเรียนกรรมฐานเปล่าถ ว, วายอาหารเสร็จแล้วขอหวย <c oughs> ขอหวยนะขอแกะกะเอากุ้งฝอยตกปลากระพงนะอเอาข้าวมา <c oughs> ปิน้นโตหนึ่งแล้วก็จะมาขอหวยจะได้แท่งเยอะๆบอโอ้ยหลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกถ้ารู้เราซื้อเองแล้วอย่างนี้เราไม่รู้หรอกนั่นขอของดี ของดีเหรอของดีมีธรรมะเนี่ยดีที่สุดเลยห้ยไม่เอาไม่เอาเนะขาคนดีจะมาตัดจีวอลเราด้วขอจี 1. วอลบอกเฮ้ยไม่ได้มีอยู่ฝืนเดียวนะที่แรกก็ขอขอของดีไม่มีของดีให้ขอคาถามีไหมคาถาทําให้รวยมีหูตั้งเลย เราก็สอนนะว่าให้ขยันทร ม, มาหากินนะรู้จักรักษาทรัพสมบัตนะิอารักษาสัมปทานะรู้จักดำรงชีวิตพอสมควรสมาชีวิตตานะรู้จักคบคนนะรู้จักคบกัลยาณมิตรตาเนี่ยบอกมีมีคาถาแบบเนี้ยโ้ยแม่เอา นึกว่ามีคาถาแบบโอมนะโมนะเมี่ยงอะไรเงี้ยเนอะแล้วรวยคาถาที่ต้องลงทุนล ง, ลงแรงทําเนี่ยไม่เอาเนี่ยคนไม่ฉลาดพระเจ้าสอนของจริงให้ไม่เอาเนีเอาของปลอมสุดท้ายไม่ได้อะไรสักอย่างนะจะขอจีวรขอตัดจีวรโอ้ยจีวรเรามีอยู่ผืนเดียวนะแกเอาข้าวมาไม่กี่ตังค์หรอกอยังมาตัดจีวรเราบอกไม่ได้มีอยู่ผืนเดียว แตแต่นั้นแกเลยไม่เข้าวัดอีกเลยค <c> ง <oughs> <c oughs> ไปวัดอื่นคนมีหลากหลายนะคนที่มีสติมีปัญญาจริงๆมีไม่มากหรอกใ น, นคนที่จะเป็นชาวพุทธแท้ๆได้นะมีไม่มากชาวพุทธจริงๆต้องพึ่งตัวเองเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรร ม, รร ม, รรมเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้พระเจ้าสอนให้ทำอันนี้เราก็ทา ส า, ารวะยาธรรมอันนี้เราไม่ทำนะํำเราเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือดูครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์แก่เท่ายัางไงเขาดูมีความสุขนะคนฆราวาสแก่ๆ แ, แล้วหาความสุขยากเนะมืพระครูบาอาจารย์แก่ๆอายุตั้งร้อยปีดูมีความสุขนะท่านต้องมีอะไรดีของท่านเนะื้ออาศัยศรัทธานะเราก็เข้าไปฟังธรรม ได้เรียนได้รู้วิธีที่จะอยู่กับโลกวิธีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตให้ถูกต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันอย่าหนีความจริงความจริงมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นอดีตไม่ใช่ความจริงอย่างมากก็เป็นแค่ความจาอนาคตก็ไม่ใช่ความจริงเป็นแค่ความคิดคิดเอาความจริงอยู่ในปัจจุบันนีอยู่กับโลกของความเป็นจริงให้ได้ ถ้าอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้นะทีแรกใจยังไม่ยอมหรอกใจมันก็อยากได้อย่างอื่นไม่อยากได้อย่างนี้ภาวนาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายจะเห็นเลยไม่ว่าอะไรที่เข้ามานะไม่ว่าได้อะไรมาสุดท้ายมันก็เสียไปทุกอย่างที่ได้มาสุดท้ายก็เสียไปทุกทนะีใจจะค่อยๆเห็นอย่างนี้นะซ้ำๆไปเรื่อย ใชใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะอะไรเกิดขึ้นไม่เศร้าโศกอะไรสูญไปไม่เศร้าโศกมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตด้วยกันอยู่กับปัจจุบันตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาดูความจริงในกายดูความจริงในใจจนะมันรู้จริงคราวนี้อยู่ตรงไหนก็มีความสุขนะสบายไม่มีอะไรมีความสุขเหมือนเราปฏิบัติธรรมหรอก ปฏิบัติทำแรกๆจะลำบากบ้างมันฝืนจิเลสมันไม่สนุกเหมือนไปดูหนังฟังเพลงนะไ่ดิ้นไปไปรแต่ปฏิบัติไปช่วงหนึ่งเราจะรู้เลยมันมีคุณค่าจริงชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขขึ้นหลวงพ่ออยู่มาหกสิบกว่าปีแล้วเนี่ยพวกเพื่อนๆนะรุ่นเดียวกันนะบางคนก็เป็นปลัดกระทรวงนะนคนเป็นผู้ว่า คนก็ระดับ41ไรเงี้ยรู้จักมาเจอกันนะพวกนี้หน้าตาเหมือนช้างเหยียบทุกคนเลยดูไม่มีความสุขนะยิ่งกเกษียณแล้วนะยิ่งโคลโคลโซเลยแบบชา่าไปที่ไหนคนกราบคนไหว้มานานหลายสิบปีใหญ่นี่ไปที่ไหนนะคน ก, ก็เฉยๆแล้วตาแก่เก่์กนะเชาไม่มีความสุข หลวงพ่อสบายกว่าเขาเยอะเลยนะไม่มีบานานกินหรอกก็มีความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขนะฝึกของเราไปได้วยถ้าเราไม่หลงรักไม่หลงเกลียดสิ่งที่กำลังปรากฏมีความสุขได้เยอะละ ถ้าไปฝึกไปจนมันไม่ไม่จับจิตไม่เข้าไปยึดอะไรไม่เกาะเกี่ยวอะไรนะเป็นอิสระมีความสุขที่สุดแล้วนั้นคนมีสติมีปัญญานะก็จะต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองคนที่เขาขาดสติปรรัญญาเขาได้แค่นั้นเขาก็อยู่กับโลกคลุกกับโลกไปทุกไปเห็นสิ่งบางสิ่งมีค่านะนานไปสิ่งนั้นหลุดมือไปก็เฉาแนละ้ว หรของที่เคยคิดว่ามีค่าแล้วมันเสื่อมค่าไปก็เฉ า, าอีกนะอะไรที่มีค่าเท่าธรรมะไม่มีหรอกธรรมะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไม่พลัดพรากนะอยู่กับเราได้ตลอดนะข้ามพบข้ามชาติได้ด้วยทรัพย์สมบัติรูปเมียอะไรนะั้ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ธรรมะข้ามไปกับเราด้วยนะบางคนภาวนานะตอนเด็กๆของเก่ามันกลับมาละ ของมันเคยทำทำง่ายหลวงพ่อนะตอนสักสิบขวบได้บ้านอยู่แถววรจักบ้านเป็นตึกแถวเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม้ตึกแถวแถวเดียวกันนะั้นห่างไปไม่กี่ห้องแนละ้วตกใจตกใจลุกขึ้นวิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ วิ่งไปด้วยความตกใจนะ19 2939ก้สองาเที่สมนะเหมือนเปิดสวิตตัวเองขึ้นมาสว่างพลึบขึ้นมาข้างในนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะั้นกลับมานะกลับมามันเห็นความกลัวนะั้นกระเด็นไปต่อหน้าต่ตาเลยนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดินไปบอกพ่อว่าไฟไหม้คราวนี้ก็ดูคนอื่นตกใจใจไม่ตกใจนะ แต่สภาวะนี้เราก็ลืมไปไปภาวนาทำแต่ความสงบไปนะั้นลืมสภาวะนี้ไปไม่รู้ว่าตรงนี้สำคัญถ้ามีครูบาอาจารย์สอนให้นะก็คงบวชไปแต่เด็กแล้วของเหล่านี้ข้ามพบข้ามชาตินะเนั่นเราฝึกสมบัติอื่นอย่างอื่นนะไม่ข้ามหรอกกรรมดีกรรมชั่วนะตามเราไป ทั้งดีทั้งชั่วนะถ้าเราปฏิบัติก็เป็นส่วนดีก็ตามเราไปเหมือนกันส่วนชั่วก็ตามไปอย่างบางคนนิสัยไม่ดีนะกะว่าชาติหน้าจะดีไม่ดีหรอกจะเร็วกว่านี้อีกนะงั้นต้องรีบลุดละนิสัยไม่ดีตั้งแต่ชาตินี้แหละไม่รอชาติหน้าเร็วกว่านี้แน่นอนเลยจิตไหลลงต่ําธรรมชาติชงจิตเป็นอย่ง น, นมีโอกาสได้เรียนธรรมะแล้วนะยกระดับใจขึ้นไปให้ได้นะอดทนนิดนึงนะภาคเพียน อ้าวส่งกันบ้านนามัสการค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อเคยให้ไว้เมื่อเดือนกันยาให้ไปดูตัวกลัวค่ะออืก็เห็นแล้วก็อันที่มันเบาๆหรือเห็นเร็วเนี่ยมันก็หายแต่ว่ามันจะมีกลัวบางอันที่มันมันกลัวมานานแล้วมันก็ใช้ความคิดเข้ามาช่วยค่ะแล้วหลวงพ่อมีกันบ้านมีอะไรที่จะให้เพิ่มแนะนําำเพิ่มเติะ เราพอนานแล้วชีวิตเราดีขึ้นเราก็เอาจิตใจเราดีขึ้นทําถูกแล้วทาถูกแล้วทําอีกมีด้านไหนที่ต้องแก้ไขประพงศ์ไปเสียเลยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปถ้าไม่ต้องแก้ก็คือไม่ต้องเรียนอะไรแล้วนะพระละหันน่ะของเราไม่ต้องกลัวหรอกทําผิดแน่นอนเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเข้าใจไปเรื่อยกรรมธรรมสการหลวงพ่อค่ะอืก็ตั้งแต่เรียนกับหลวงพ่อก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นอืม เห็นตัวเองไม่ดีเมื่อก่อนเห็นแต่คนอื่นไม่ดีโอ้ดีจังเลยอย่างนี้น่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะประการหลวงพ่อค่ะออ่จะขออนุ ญ, ญาตส่งกันบ้านอืก็คือคราวที่แล้วที่เคยไปส่งกันบ้านกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเป็นคนขี้โมโหก็เลยลองกลับไปดู ก็ปกติชีวิตประจาวันเวลาขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยเวลามีคนมากระทบหรือมีคนมาอะไรก็จะโมโหก็พอทีนี้มันก็จะรู้สึกตัวมากขึ้นพอโมโหไปแล้วก็รู้สึกตัวว่าเออเนี่ยโมโหแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็วัยพอสมควรก็เลยรู้สึกว่าที่หลวงพ่อพูดว่าถ้ามีสติแล้วมันจะรักษาสินได้ก็ พอจะเข้าใจแล้ว mm hmm. แล้วก็เวลาปฏิบัติในรูปแบบก็คือนั่งสมาธิก็เคยฟังซ mm ีด hmm. ีหลวงพ่อก็เลยลองทําดูก็คือนั่งๆั่งอยู่มันเห็นตอนแรกเห็นร่างกายเห็นลูก mm hmm. นั่งอยู่แ ล, mm hmm. แล้วพอนั่งไปพอมันชาขาก็รู้ว่าเออมันคือเวทนาอ mm ืค่ะแล้วก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอาจิตไปเกาะกับมันก็คือพอมัน พอมันชามากขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนแบบเรารู้ว่าจิตมันไปสนใจมันเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไปจับกับอารมณ์อย่างอื่นด้วยแต่แค่รู้ว่าเออมันเป็นเวทนานะอะไรแล้วก็พ อ, พอเวทนาแรงๆจิตก็ฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่าน น, นั้นเป็นสังขาร น, นะก็ลองนั่งไปจนจนมันปวดมากๆจนจิตไปเกาะ ก, กับมันอยู่ๆๆตัง น, น่นนะก็เลย อยากจะขอคำแนะนําหลวงพ่อว่าควรจะวางจิตหรือว่ า, าทาอะไรต่อไปท <ำ S 2> ําอะไรไม่ได้นะเราพยายามแยกไปเรื่อยกาย ก, ก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งนะแล้วก็ฝึกในชีวิตประจำวันนี้ก็เห็นมันแยกกันทํางานแ ล, แล้ ว, ลลวความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรนี้ก็แยกออกไปเป็นส่วนๆไปเราจะเห็นนะแต่ละส่วนไม่ใช่เราสักอันเดียวเห็นไหมร่างกายไม่ใช่เราเห็นไหมความเจ็บปวดความช้าไม่ใช่เรานะ ไม่ใช่ตัวเราหรอกความชานะค่อยดูไปมันจะเหลือจิตเป็นเราวันเดียวแล้วพอนาไปเรื่อยนะใจไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเหลือแต่รู้โดยไม่ได้เจตนานะก็จะรู้ว่าจริงๆตัวเราไม่มีหรอกตัวเราเป็นความคิดเท่านั้นเองอย่างนี้คือถ้าทนไม่ไหวจริงๆแล้วก็เปลี่ยนอิริยบถไ ป, ไปลุกไปเดินจงกลมได้ได้คือกรรมฐานนะถ้าเราใช้หมดกายหมดจิตนะ อย่างเนี้ยเราเปลี่ยนียบบทได้แต่ถ้าเราใช้หมวดเบทนาต้องสู้ตายไมด้เอาชนะไม่ได้เอาชนะหรอกเรียนให้เห็นความจริงของมันให้ได้เลยไม่ยอมขยับอ่ะนั่งนานๆก็หายปวดนะมันจะหายของมันเองออะออก็หลวงพ่อมีอะไรแนะนําหรือให้กันบ้าไงไหยคะใจขนาดนี้ปกติไหมตื่นเต้นนิดหน่อยเออนะไม่ปกตินะตัวออกไหมเราใช้ใจธรรมดาไปรู้ นะเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่นะจะอยู่กับอะไรก็ได้นะอยู่กับสักอย่างนงอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วค่อยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนบ่อยๆเทองซ้อมตัวนี้เรื่อยๆนะแล้วจิตจะได้มีความตั้งมั่นมีแรงมากๆนะขอบคุณค่ะนักสักการครับหลวงพ่อืก็ตอนนี้กรรมาฐานก็คือเดินจงกรมแล้วก็ดูกายเคลื่อนไหวเออ เห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนาะกายกับใจแยกกันครับแล้วเห็นความรู้สึกอื่นๆไหมก็เห็นโท่สะเห็นโกรธ เ, เห็นใจหนีไปไห ม, ไมเห็นจิตมันหนีไปไหมเวลาเดินก็มีไปคิดนะครับเออนะนี่นเขาเรารู้ทันไปนะเขาหนีนะ ร, รู้สึกกายไปเห็นกายเดินไปแล้วใจหนีไปเราก็รู้ทันใจก็รู้กายรู้ใจไปได้ สุดท้ายก็จะรู้เองร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเองก็ไม่ใช่เรามันหนีไปเที่ยวได้เองนะออืครับดูอย่างนี้นะสุดท้ายหาเราไม่เจอทีนี้เวลานั่งสมาธิดูลมอย่างเงี้ยครับอืคือดูไม่ออกว่าจิตมันไหลไปกับลมวิธีหายใจอย่าไปดูที่ลมเห็นตัวนี้มันหายใจรู้สึกตัวนี้หายใจ เห็นไอ้ตัวนี้หายใจด้วยจิตธรรมดาอย่างนี้อย่าไปดูที่ลมนะรู้สึกทั้งตัวรู้ด้วยใจที่สบายๆนะแลเห็นตัวนี้หายใจดีกว่าไปจับลมแล้วก็ซึมลงไปเลยคือเหมือนเห็นทั้งทั้งตัวเห็นสบายๆได้ไม่ได้ปิดเพ่งทั้งตัวนะคนเพ่งทั้งตัวรู้ทั้งตัวเลยอย่างนี้ไม่เอา แค่รู้สึกแค่รู้สึกจะไม่น่าเอาแค่รู้สึกไม่เพีงเหมือนชอบเข้าไปเป็นอย่างนั้นตลอดมันติดแล้วโมหะแทรกไม่ดีนั่งสมาธิล้วโมหะเข้ามาท่างนี้เริ่มคือเคลื่อนไหวก่อนไม่ต้องนั่งได้แล้ว <นะ S 1> ถ้านั่งก็เห็นร่างกายหายใจอย่างที่หลวงพ่อสอนนะแต่ก่อนจะไปเห็นร่างกายหายใจต้องยิ้มหวานๆก่อนจาได้ยังไม่ใช่ใจ เอก็จะต้องทำคลุมแล้วพอจะรู้ลมหายใจอย่างนี้กลายเป็นอะไรหมดหะเพี้ยนไปนหมดนะธรรมะของพระเจ้านะอศัศรรจรย์จริงนะถ้าเราเรียนอันแดนหนึ่งให้แตกแตกฉานนะกว้างกวางมากเลยอย่างอนาปนสตินี่อันเดียวนี่นะกว้างมากเลยเป็นสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้นะ ใช้ทํเอาปิญญาก็ไดนะ้ใช้เล่นเป็นกสินก็ได้นะพลิกแปลงไปได้หลายอย่างใช้ทาเจริญปัญญานะในคณิกะก็ไดนะ้ในอุปจาระก็ได้ในอัปปนาก็เล่นได้นะอาศัยลมนี่แหละกว้างขวางมากเลยเหมือนอย่างสติปัฏฐานนะอันเดียวนี่แหละถ้าเข้าใจแล้วโอ้กว้างมากเลยเงนะินธรรมะจุดเดียวนีนะ ถ้าภาวนาแล้วเข้าใจขึ้นมานไมันกระจายกว้างขวา ง, วางมหาศาลนะพูดได้เป็นวันๆเลยนะหรือธรรมะอันมากมายนะถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเราจับแก่นออกมาได้เลยเหลือนิดเดียวนะค่อยภาวนาน ะ, ะอ้าว่าไปกล่าวธมาสการ์ค่ะหลวงพ่อค่ะเมื่อวานนี้นั่งสมาธิเรา แล้วติดโมหะอีกทีโมหะแทรกอะคะ่ะเราก็เลยกลับไปก็ไปเดินสังเกตไปเดินจงกรมแทนเนี่ยกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันมันมั น, มนไม่มันไม่สืบเหมือนเหมือนตอนนั่งสมาธิอีกทีหนึงนะะ่งอะค่ะหนูดูไปเลยนะดูภาวนาไปเรื่อยๆกล้าหารไหมเรากล้าฟังคําสอนไหมอย่าโกรธไหมโกรธนะ คนเอาไว้ก่อนค่ยเรียนไปนอะนสการค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติในรูปแบบค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะรู้สึกว่าโทสะจะเยอะมากจนจิตมันกระเพื่อมจนบางทีมันมันอยากให้มันหายไปอะค่ะเออยิ่งอยากยิ่งทุกข์ค่ะแล้วมันก็ไปบีบคั้นจิตก็เลยใช้การบริกรรมแผ่เมตตาเข้าช่วยแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูทาถูกหรือเปล่า คือถ้าเราเห็นโทสะนะแล้วจิตเป็นคนดูได้โทสะอยู่ต่างหากเราก็ดูไป <ME> แต่ถ้าโทสะครอบงําจิตสู้ไม่ไหวแล้วเราก็จเจริญเมตตาไป <S <S <อ>ไม่ไม่ใช่มีโสทสะทีไรจเจริญเมตตาทุกทีนะ <K devam> อย่างนั้นมันหนี <damaged feet> เราจะหนีแต่เมื่อสู้ไม่ไหวคอย่างโทสะรุนแรงเราสู้ไม่ไหวแล้วเราก็จเจริญเมตตา <K de Ă un> แต่ถ้าโทสะเกิดขึ้นเรามีสติเห็น เห็นโทสะก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งเห็นโทสะเกิดดับได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับได้อย่างนี้เราไม่ไปหลบทําสมถะน ะ, จะเจริญเมตตาเป็นการ ท, ทําสมถะเอาไว้ตอนที่สู้ไม่ได้ก็เอาไว้หลบแต่ว่างๆก็จเจริญเมตตาไปเรื่อยๆก็ดีน ะ, ะทําเรื่อยๆดีค่ ะ, อะขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มอะค่ะหลวก็ต้องทํำไปบ่อยๆ ก็เจริญเมตตาไปแหละปลอดภัยดีะค่ขอบคุณค่ะมาสการเจ้าค่ะอก็ปฏิบัติในรูปแบบมาได้ประมาณปีกว่าๆเจ้าค่ะแล้วก็เริ่มเห็นความทุกข์มันอยู่ห่างๆเจค่ะเห็นความโกรธไม่ใช่เราเจ้าค่ะแต่ว่าเห็นบางครั้งเจ้าค่ะแต่ไม่เห็นตลอดนดีแล้ว่ ถ้าเห็นตลอดนะั้นบางทีแกล้งดึงตัวรู้ขึ้นมานะดันตัวอื่นออกไปถ้าอย่างนั้นไม่ดีผิดธรรมชาติตัวรู้ว่าเป็นตัวรู้บ้างตัวหลงบ้างนะงั้นแยกบ้างรวมบ้างอะดีดีไปแยกตลอดนะแยกตลอดมันไม่ใช่ภูมิของเราเปนแยกตลอดแกเป็นของปลอมช่วงที่มีความทุกข์บางทีมันเห็นว่าจิตมันมั ว, ม, วมัวเหมือนมีอะไรคลุมอยู่เจ้าค่ะแล้วก็พอ ตั้งมั่นขึ้นมาทีหนึ่งก็รู้สึกว่ามันสว่างแล้วมันก็กลับมาคุมใหม่เป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยจ้ะนี่แหละมันไม่เที่ยงแล้วมันบังคับไม่ได้มันกำลังสอนธรรมะเราไงไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เอาสว่างนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสว่างก็ไม่เที่ยงมัวก็ไม่เที่ยงสว่างก็สั่งไม่ได้มัวก็ห้ามไม่ได้นี่านาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เพื่อให้สว่างหรอกนะเพราะงั้นสว่างมั่งบดบ้างดี สว่างตลอดเนี่ยติดสมาธิแน่นอนเลยจินจะไปจ้าอยู่ข้างนอกแลยอยู่ได้เป็นปีเลยนะอยู่ได้อย่างนั้นตลอดนานมี<ป>บางช่วงที่เห็นเห็นความโกรธเป็นเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งเออถูกแล้วแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ออดับไปเออนั่นแหละเห็นถูกอล้วนะค่ะกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยบังคับจิตแล้วก็ มีผู้รู้เที่ยงอยู่อะค่ะอืก็เห็นจิตมันจะแน่นๆเออแน่นแนะของปลอมนะค่ะบางทีมันตื่นเต้นแล้วเหมือนเรากดมันไว้อ่ะค่ะเออนั่นแหละตอนนี้ตื่นเต้นแล้วกดถูกต้องค่็แล้วตอนนี้หนูปฏิบัติอยู่ในทางบ้างหรือเปล่าอยู่อย่างดีเลยหนูเห็นไหมว่าขันมันแยกได้ล้วใช่ค่ะหนูเห็นไหมขันมันทํางานได้เองใช่นะ เร่องนั้นแหละเราเริ่มเดินปัญญาจริงๆแล้วเจวันเจเดือน7ปีทําไปเรื่อยๆหลวงพ่อหนูจะเห็นจิตมันเคลื่อนบ่อยอะค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดีถ้ากถ้ากลัวมันเคลื่อนนะเราไปรักษาไว้นะถึงเป็นเพ่งผู้รูไว้ไม่ดีค่ะก็ดูมันไปเมื่อก่อนแหละกลัวจะเคลื่อนไปรักษาไว้ค่ะเราจะเห็นนะมันเคลื่อนได้เองใช่ค่ะเห็นการที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนบ้างหยุดบ้างเคลื่อนบ้างหยุดบ้างนี่แสดงอนิจจัง เห็นมันเคลื่อนได้เองแสดงอนัตตาหลวงพ่อบางทีหนูเห็นจิตมันสั่งให้กายทําถูกจิตเป็นคนสั่งให้กายทาําลยใช่มันเห็นแล้วมันก็หายไปแวบเดียวค่ะเออแล้วควรทําก็ทำค่ะไม่ควรทําก็ไม่ต้องทําอืมมันรู้ทันมันก็เลยไม่ทำเนา ะ, อ, ะอย่างสช่ว่าบางทีมันจิตมันเป็นคนสั่งกายนะใช่แล้วเราเกิดสติขึ้นมาเราจะไปแก้คําสั่งเดิมจริงๆที่แก้ไม่ทันอย่างเช่นบางคนนะักโกรธเพื่อนตบเพื่อน จิตมันสั่งให้ตบนะพอเคลื่อนมือเนี่ยเคยฝึกสติเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกก็รู้สึกขึ้นมาจิตอีกดวงหนึ่งมันสั่งว่าเฮ้ยยาแต่ร่างกายเนี่ยมันรับออเดอร์เก่าไว้มันไม่หยุดนะเอะอย่างนี้ก็มีนะต้องค่อยๆฝึกให้ชนานนะํานาญนะค่ะหลวงพ่อหนูต้องทำมี อ, อะไรต้องทําเพิ่มเติมไปทําทอีกนั่นแหละทำดีแล้วล่ะแต่ทําความสงบมากนะอย่าปล่อยให้ฟุง้งแต่เดิมเราเราเพ่ง หลวงพ่อแก้ที่เพ่งไปแล้วเราก็มาเดินปัญญาได้จะเดินปัญญาแล้วเรากลัวการทำสมาธิถ้าไปกลัวสมาธิต่อไปจิตก็ไม่มีแรงนะคือตอนนี้หนูจะนั่งสมาธิที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปเพ่งลมแต่ว่าให้อยู่กับร่างกายป่งโปองอันนั้นเป็นสมาธิเอาไว้แก้พวกที่ติดเพ่งหรือนั่งสมาธิแล้วซึ่มๆนะเพราะเราจะรู้ลมสบายๆก็ไดนะ้แต่รู้แล้วอย่าให้ใจซึ่มลงไปเท่านั้นแหละ แล้วหนูทำ14จังหวะได้ไหมคะหลวงพ่อคนขี้โมโหทำยากทำแล้วลำคาญค่ะกลับขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อก็รู้อยู่นะว่าทำไม่ไหวทำแล้วก็หนูมาส่งการบ้านครั้งสุดท้ายประมาณหนึ่งปีที่แล้วอะค่ะก็ปกติหนูก็ดูจิตในชีวิต ในชีวิตประจําวันนะคะเห็นกิเลสบ้างเห็นมันตัดเองบ้างค่ะแล้วเสร็จแล้วหนูเคยถามหลวงพ่อว่าจะทํำไงให้หนูทําสมาถะได้เพิ่มขึ้นหลวงพ่อให้ไปสวดมนต์ค่ะแล้วก็หนูก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาอิติปิโสค่ะแล้วก็พอภาวนาไปเรื่อยๆบางทีจิตมันก็จะรวมบุ๊บลงอเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าบางทีขณะที่มันรวมลงเนี่ยมันเหมือนเราเห็น มันนิ่งอยู่แต่แต่มันก็มีอีกตัวหนึ่งที่บางทีมันก็ยังคิดอย่างอื่นได้อยู่ว่าอุ๊ยมันนิ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วภาวะนั้นเหมือนกับว่าตัวมันก็จะเบาๆลงมันเป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงอั ป, ป น, นะนะค่ะได้สมาธิเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่พอถึงจุดนั้นพอซักพอหน้นสมมุติว่าหน้น ภาวนาอิติปิโสเท่าอายุแล้วพอครบแล้วอยังไงคะหนูก็จะนั่งนั่งภาวนานั่งนิ่งๆไปต่อค่ะดูลมหายใจไปบ้างค่ะอย่างนั้นได้แล้วมันก็จะแบบอึด อ, อัดอึดอัดอยากจะออกอยากจะอ อ, ออกให้ได้ถ้าอย่างนั้นบังคับแล้วนะถ้าอึดอัดแสดงว่าไปเพ่งอยู่<ะ>นะเนี่าไปเพ่งเอาทําใจสบายๆดูเห็นร่างกายหายใจสบายๆดูแบบสบายใจ<ะ>สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ดูเล่นๆต้องทําอย่างนี้นะแล้วสงบเร็ว ถ้าหายใจโดยหวังว่าจะสงบเนี่ยจะอึดอาจแต่หายใจเล่นๆสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นะจะสงบเร็วค่ะขอบคุณค่ะดีขึ้นแล้วล่ะใช่ได้ไปทำอีกค่ะแล้วจะทำยังไงให้เรานั่งให้ได้ฌานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวนมนต์อยู่ไม่ได้ฌานนะกรรมฐานบางอย่างได้ฌานบางอย่างไม่ได้ฌานนะถ้าสวดมนต์เนีไ่ได้อุ ป, ป จ, จาระรวมไปไม่เข้าฌาน รู้ลมนะลลมละเอียดละเอียดเข้าไปก็ถึงฌานได้ <ฮะ S 1> กลายเป็นแสงลมหายใจหายเป็นแสงพอลมหายใจหายแล้วมันเป็นแสงนะเรียกว่าอุขานิมิตนะแล้วต่อไปเราเล่นแสงได้นะให้เล็กลงมาเข้มมากเลยแสงมันจะเข้มสุดขีดเลยเวลามันย่อลงมานะหรือให้มันใหญ่ก็ได้นะะนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตนะถึงปฏิภาค่างไม่เข้าฌานเลย งั้นหนูอย่าไปเพิ่มเรื่องฌานดีกว่า<ะ>มีอีกวิธีหนึ่งถ้าหนูจะทําปฏิภาคยากหนูจเจริญเมตตาไว้บริกรรมไปเรื่อยเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตานะบริกรรมเมตตาไปแล้วพอใจมันมีเมตตามันมีความสงบร่มเย็นนะเข้าอัปปนาได้นะเข้าได้ถึงอรูปฌานเลยร่างกายหายไปเลย ใจไม่คิดไม่นึกนะเย็นช่าด้วยความเมตตาถอดทอยออกมาให้จิต้็มาบริกรรมต่อได้หมายถึงตอนทําสมาธิเหรอคะหรือว่าในชีวิตประจําวั น, นะคะตอนทำสมาธิในชีวิตประจําวันบริกรรมไว้ก็ได้ค <ฮะ S 1> นะ่ะงั้นมันมีวิธีเข้าอัปปนาเนี่ยบางอันก็ผ่านปฏิภาคนิมิตบางอันไม่มีปฏิภาคนิมินะกตกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วเหมือนกันนะเจ้าค่ะก็ หลังจากทํางานเหนื่อยมามากแต่พอเจอหลวงพ่อก็ค่อนข้างจะฟื้นตัวเร็วจะเห็นจิตไหลไปที่หลวงพ่อแล้วเด้งกลับมาอืเพราะว่าจะรู้สึกว่าพไม่ได้ผลักนะเห <c oughs> มือนเหมือนกับว่าถึงจะปลื้มความปลืม้มมันก็เป็นสิ่งหนักใ่ใหนักยังไงไม่รู้เป็นของแปลกนะปลอมนะพอหนักปุ๊บแต่ว่าโดยธรรมชาติในตอนนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่ว่าพอมันกลับมามันก็ รู้ลมเลยมันเหมือนยังกดอยู่นิดนิดถูกถูกนะคะถ้าอยางนั้นปภาวนาใช้ได้แล้วละ่ะคือมันเป็นอะไรเรารู้ทันอยู่นะมันยังกดอยู่รู้สึกตัวอยู่นะแต่ยังกดอยู่เนะี่ยถ้าเราว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้ต่อไปมันจะคลายออกทีนี้ก็วันนี้ก็มีคําถามสั้นๆอยู่สองอย่างนะเจ้าค่ะคือช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยตั้งมั่นถึงจะทําในรูปแบบบ้างพอเจอสังคมโลกโลกอยู่บ้างนะคะ แล้วโยมก็ฟังซีดีหลวงพ่อหรือเจ้าหลวงพ่อมันเหมือนยาชาพ อ, อกลับไปก็ถึงจะมีรูปแบบมันเหมือนมันไม่เข้มข้นพอแล้วมันมันไม่ไหวอะค่ะต้องอดทนเอาหน่อยนะโลกไม่มีอะไรหรอกโลกมันหลอกให้เราหลงทีนี้เนี่ยไอกคำถามหนึ่งที่หนูคิดว่าหนูอยากจะเอ่าเกริ่นถามไว้ก่อนนะเจ้าค่ะว่าจะรู้ได้อย่างไรเจ้าค่ะว่าเรา ไม่อยากอยู่ทางโลกแล้วจริงๆคือทุกวันนี้หนูไปทํางานหนูจะเห็นแต่คนไม่ค่อยมีความสุขกันทุ่นหน้าในโลกไม่มีความสุขนะแต่หนูยังไม่ได้เบื่อโลกหรอกใจมันยังชอบโลกอยู่นะยังไม่พร้อมจะไปบวชหรอกแอีกอย่างนะผู้หญิงหาที่บวชยากนะทางที่ดีออยู่บ้านเราทํามาหากินเก็บเงินไว้พออยู่ได้นะแล้วก็ภาวนาอยู่ที่บ้านเราดีกว่าไปบวชอยู่วัดอีกนะค่ะ ไปอยู่วัดเนี่ยสังคมในวัดเนี่ยไม่ค่อยเอื้อกับผู้หญิงหรอกแล้วถ้าเราคิดว่าองค์กรหนึ่งเนี่ยมีผลกับการภาวนาของเราหรือว่าเป็นเพราะเราอ่อนแอเกินไปเราถึงเอามาเป็นข้ออ้างอะคะเราเราต้องภาวนานนะเอาอย่าไปเอาอะไรมาเป็นข้ออ้าง <laughs> ไม่มีอะไรเกี่ยวกวับเราหรอกดูรูปดูนามขงเราอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวกวับองค์กรนะอะไรทั้งสิ้นนอะ <laughs> เพราะว่าพอเราจะ ปีกพักตอนกลางวันเราก็จะโดนเขาว่าอยู่เหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าว่าเราไม่มีสังคมไม่มีทายาทอะไรเราแต่เราเราเหนื่อยเราไปอยู่กับสังคมก็ได้นะไปกินเลี้ยงก็ได้นะเรามีสติเราไม่ได้เสียเวลาปฏิบัติเลยไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยต้องปลีกตัวออกจากคนอื่นแล้วถึงจะปฏิบัติได้นะเฮฮาอยู่กับเขานั่นแหล ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาไป ก็ปฏิบัติได้นะดีไม่ดีเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายด้วยโอเคแล้วเรามีสติปัญญานะั้นจะเห็นแต่ทุกขนะ์นะจะเห็นทุกข์คนทั่วๆไปเนี่ยพอทุกข์มันเบาลงก็รู้สึกสุขแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเราก็เห็นว่ายังทุกข์อยูนะ่ถ้าเทียบไปเราเทียบกับแต่ก่อนเราจะเห็นว่าจิตใจมันสบายกว่าแต่ก่อน แต่ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าเราเห็นมันทุกข์อยู่ทุกขณะเลยอยู่ที่ว่าเราภานามันได้ถึงตรงไหนละก็ดูอย่างนี้ไปไม่ยังไม่ผิดอะไรใช่ไหมคะดูมันทํางานดูสบายๆนะดูดูเห็นมันไหวๆไหวๆให้หหหหมานะแต่ไม่ถลําไปจ้องดูสบายๆนะแต่ว่าไม่ใช่เพลินสว่างออกไปข้างนอก การนัมร ส, สการใชาคะ่ะการปฏิบัตินี่รู้สึกว่ามันมันอธิบายไม่ถูกมันเบาๆยังไงเนี่ยคะ่ะมันเหมือนไม่ได้ทําจริงๆอะคะ่ะหลวงพอ่อนั่นแหละดีแต่ระวังโทสะแทรกก็แล้วกันโทสะมีบ่อยใช่คะ่นะแล้ว<ร>ตอนเราไม่ได้กดไว้ของเดิมมันชี้โมโหมันก็ขึ้นมา ถ, ถ้าแต่ก่อนเรากดไว้มันไม่ขึ้นมารู้สึกเราดีดีเจ้าค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั่งที่วัดเนี่ยค่ะมันผุดขึ้นมาตลอดอทุกการเต้นของหัวใจมัน ผ, ผ, ผ, ผ, ผุดเหมือนอความทุกข์ค่ะเจ้าค่ะ<ด>แต่ไม่ไทราบว่ามันเป็นเพราะว่ามาอยู่ในวัดนะสติสมาธิอะไรมันดีขึ้นนะมันก็เห็นของจริงที่จริงมันผุดอยู่นั่นแหะอยู่ที่ไหนมันก็ผุดอย่างนั้นแหละแต่มันไม่เห็นน่ะมาอยู่ในนี้จิตมันมีพลังมากขึ้นก็นเห็นได้ละเอียดขึ้น แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยก้าวหน้านะคะเล้ออย่าอยากสิก้าวหน้าถัดจากนี้ก็คือความเข้าใจแล้วล่ะมันต้องภานาเหมือนเดิมทุกวันไม่มีก้าวไปไหนหรอกนะแต่ความรู้ความเข้าใจมันจะพัฒนาขึ้นแต่มันมีความเบื่อค่ะเออนั่นแหละก้าวหน้านะเพรเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหนายใชไหมถ้าไม่เห็นจริงไม่เบื่อหรอกเบื่อก็เบื่อโทสะงั้นแหละนี่แหละคือความก้าวหน้าแล้วะ าาว่ามากับธรรมศาการหลวงพ่อครับเมื่อเมื่อตอนต้นปีส่งกันบ้านนะครับหลวงพ่อบอกว่ากําลังกําลังมันไม่พอเลยครับอ mm hmm. แล้วก็ให้ไปดูว่าเออให้ไปสร้างบา ร, รมีให้ดูให้ทําบา ร, รมีอะไรคผมก็ดูไม่ออกว่าคือมันไม่เหมือนกําลังสมาธิหรือกําลังสติที่มันพอจะดูได้ครับแต่กําลังบา ร, รมีนี่มันมันเราต้องสะสมความดีไปนะความดีนาน า, นานชนิดค่อยๆทําอย่าไปอยากได้นะครั บ, รบมันจะค่อยๆสะสม อะไรๆการทำอะไรก็มีสติไว้ก็เบอร์บารมีจะเพิ่มเร็วอ๋อครับคือหลวงพ่อบอกว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็ก็ให้ทำเท่ากาสผ่านไปแล้วก็ก็ไม่เป็นไรแต่คราวนี้ผมผมประเมินตัวเองอะ่ะคือผมสามารถหาโอกาสที่จะทำเนี่ยได้เยอะมากก็เลยเออเราต้องไม่ดูดูด้วยว่ามีโอกาสเยอะก็จริงนะแต่ถ้างานพอนางเราถูกลบกวดเราก็ไม่เอานะอ๋อครับครับไปดูเอานะ ครับงั้นก็กราบถวายการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อประโมทค่ะสาธุนะกลาบมาสการหลวงพ่อค่ะคือลูกเริ่มฟังซีดีของหลวงพ่อมาได้ประมาณ6เดือนอะนะคะแล้วก็พยายามเห็นไม่า6กเดือนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเห็นนะคะค่ะก็เห็นเห็นว่าเวลาตัวเองมีความสุขก็เห็นทุก็เห็นอยากก็เห็นนะคะ เห็นความคิดดีก็เห็นแต่ตรงประเด็นตรงเวลาหนูคิดอกุศลขึ้นมาเมื่อไหร่อะค่ะจะรู้สึกไม่ชอบแล้วก็พยายามที่จะล้างมันออกไปอะค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์กับมันให้รู้ทันตรงที่ไม่ชอบนะค่ะไม่ต้องทําอย่างอื่นค่ะให้รู้ว่าไม่ชอบเมื่อเราก็จะรู้อกุศลด้วยความเป็นกลางอกุศลจะสอนธรรมะเราเท่าเท่ากับอกุศลนั่นแหละจะสอนไตรลักษณ์กราบขอบพระคุณมากค่ะ จากหลวงพ่อครับอฟังซีดีหลวงพ่อมาเจปีครับเมื่อส่งครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วครับก็ส่งนานจังก็ปฏิบัติไม่ไดเรื่อยอสามปีที่แล้วไม่ได้ขอการบ้านหลวงพ่อครับคือมันมามาคล้ายๆกับว่ามันมีกูเก่งมาครับแล้วมันตัวมันมันพองเต็มวัดเลยก็เลยไม่ฟังใครก็มาถวายถวายอย่างเดียวแล้วก็กลับไปครับเสร็จแล้วพอกลับไปมันก็ไปเจอไปเจอว่าเออเ้ยมัน คือมันมันหลุดออกมาจากกูเก่งครับก็เลยเออไอตัวนั้นมันมันเป็นกูเก่งแล้วมันไม่ฟังใครครับแล้วมันมีเยอะแล้วมันผุดออกมาเรื่อยๆเลยครับดีที่เห็นครับเห็นไม่ว่าใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเยอะครับเนี่ของดีนะธรรมะพระเจ้าเปลี่ยนใจได้คือมันมีมันมีมันมีครั้งหนึ่งมัน มันมันเห็นตัวเราไม่มีครับเสร็จแล้วมันก็รีบไปตะคุบครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันตะคุบอะไรครับแต่ว่ามันก็รู้สึกกลัวๆเสร็จแล้วว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมันไปดูหนังเรื่องหนึ่งครับที่มันคือนักบินอวกาศมันหลุดออกจากที่ยึดะครับแล้วมันลอยคว้างปุ๊บใจเรามันก็กระเพื่มสถานสถานขึ้นมาครับมันก็คล้ายๆกับว่ามันมันก็บอกว่ามันกลัวมันไม่ปลอดภัยครับมันต้องยึดอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะปลอดภัยครับเนี่ยท่านเว่ยหลังท่านเคยสอนนะว่า ถ้าไม่ยุดรูปก็ต้องยึดนํามไว้ก่อนกลัวจะหลุดไปสู่ความว่างครับแล้วมันจะกลัวตลอดนะครับเพราะหลังๆพอพอมีสติขึ้นมาแล้วพอจะเข้าช่องเนี้ยมันก็จะกลัวกลัวขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะไม่ยอมไปครับมันมันก็จะจะจะจ ะ, จะไม่ไปไม่ไหนไม่ได้วิธีวิธีปฏิบัติแล้วดูดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆนะพอเห็นทุกข์เห็นโทษมากๆเนะี่ยมันจะหมดความหวงแหนเพราะมันจะไม่กลัวกล้ากล้า ป, ปล่อยได้ แต่นี้มันไม่กล้าปล่อยมันหวงอยู่มันกลัวครับต้องนะก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ดูนะดูไตรลักษณ์แต่ถ้ า, าดูดูก็คือปกติปกติที่ดูก็คือดูก็คือดูรู้เผลอรู้เผลอไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับดูรู้เผลอแล้วเห็นไหมรู้ก็รู้เองเผลอก็เผลอเองครับนะถ้าอย่างนั้นนีว่วยเราเห็นมันทํางานได้เองนะแต่ถ้ารู้เผลอรู้เผลอนี่รู้ด้วยสตินะ แต่รู้ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่นมันทำงานของมันเองแหละครับนะฮะก็คือเราพอเห็นมันทํางานเองปุ๊บเราก็เอ้ยตัวเราไม่มีนี่หว่าเอีนั่นแหละมันล้างตัวเราออกไปครับแต่พอมันรู้ปุ๊บมันก็กลัวครับนั่นแหละมันยังหวงแหนอยู่ครับนะถ้าดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันไม่เอาหรอกมีแต่ทุกข์อ่ะมันเห็นได้ตัวเราไม่มีหรอกมันมีแต่ตัวทุกข์ใจมันปล่อยไม่หวงหรอกเป็นธรรมดานะบางคนภาวนาแล้วกลัวกลาวนมัสการหลวงพ่อครับอื ผมเป็นครั้งแรกที่ได้มานมัส ก, การหลวงพ่อผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมา mm hmm. สี่ปีสิ่งที่ผมได้รับก็คืออา่าผมขอโทษผมปิติ mm hmm. เพราะว่าผมตั้งใจอยากอยากพบหลวงพ่อมานานแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่มันทําให้ผมไม่มีโอกาสได้มาพบหลวงพ่ออื mm hmm. เพราะงั้นวันนี้มันเหมือนกับวันที่ผมจะได้มาพบหลวงพ่อมันก็จะมีกิเลส ข, ขึ้นมาสู้กับผมเยอะมาก อเพื่อที่จะไม่ให้ผมให้ผมเพลินๆกับมันไปโดยที่ไม่ให้ผมมาเลยไม่ให้มาวัดครับ อ, อ, อืเบื้องต้นสิ่งที่ผมได้เป็นได้ได้ซีดีหลวงพ่อเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องชี้นําอะครับแต่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ปุถุชนคนทั่วไปครับที่ไม่เคยมีทำในใจนะครับมันค่อนข้างจะลําบากแล้วหาจุดเริ่มต้นยากอืแต่ผมก็พยายามเพียรพยายามมา จ น, จนสิ่งที่ณ ต, ตอนนั้นคือเข้าใจว่าผมจะต้องใช้การบริกรรมครับกับการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนคือในความเข้าใจผมเบื้องต้นนี้คือจะต้องสวดมนต์เยอะๆะครับอืมผมสวดสี่ชั่วโมงอย่างนี้นครับเช้าเย็นซึ่งซึ่ ง, งกระทําไปด้วยความไม่รู้อครับอแต่สุดท้ายแล้วก็คือพอมันค่อยๆอันนี้ปุ๊บมันก็จะย้อนกลับมาให้ผมมา มาดูที่จิตตัวเองเข้าใจนะครับคราวนี้ก็สิ่งที่ผมอยากถามหลวงพ่อครับว่าผมติดอยู่ตัวหนึ่งคือเมื่อเมื่อก่อนนี้ผมใช้การบริกรรมการแผ่เมตตาเป็นฐานนะครับแล้วก็คอยรู้จิตที่มันไหลไปออกนอกอย่างนี้นครับโดยใช้การบริกรรมนี่ครับแต่คราวนี้ก็คือเมื่อเมื่อสิ่งที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมั น, มน ผมเคยเหมือนกับมันเสื่อมไปเลยฮรหลวงพ่อคือผมผมเห ม, มือนกับเอ้ยทำไมเราบริการมไม่เป็นเลยหายไปเลยอ hmm. สองครั้งจนรู้สึกมันเหมือนกับเบื่อโลกแล้วครับ hmm. แต่แต่ฟังซีดีหลวงพ่อเคยบอกว่ามันจะเป็นเบื่อแบบแป๊บแป๊บอัน hmm. นั้นคือก็ผมก็เลยเหมือนประมาณว่าเออกลับมาย้อนเหมือนจุดเริ่มนนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ทุกวัน hmm. ตื่นเช้ามาหลวงพ่อก็จะคอยสอนว่าเออเอ้ ย, อยคุณต้องเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้านะใครพูดว่าไม่มีเวลาไม่ใช่อื hmm. ผมเหมือนเพียนนะครับแต่ก็คือต้องการจ ะ, ะเข้าใจมันอย่างเมื่อก่อนมันยังมีจิตภาคอะครับที่หลวงพ่อเคยบอกครับอืจนเดี๋ยวนี้คือมันเหมือนมันมันมันไม่ต้องภาคแต่มันมันเหมือนสัมผัสแล้วเข้าใจแล้วรู<ม>้ไปอย่างนั้นนะครับ<ม>เป็นรูปนั้นนะครับแต่คราวนี้ก็คือสิ่งที่อยากถามหลวงพ่อต่อก็คื อ, อครั้งแรกผมไม่เข้าใจคําว่าจงกรมแต่ผมเพิ่งมาเข้าใจเมื่อสามวันที่ผ่านมาแล้วจิต มันเหมือนกัะดีกระดาได้ได้ของเล่นใหม่อะครับ <c oughs> อื ม, มันรู้สึกว่ามันเหมือนกับพอเวลาเดินก็รู้สึกแข่งมือก็รู้สึกจับพุงอะไรก็รู้สึก <c oughs> อย่างเงี้ยครับแต่ก็คือเมื่อก่อนมันจะภาคว่าเอออจิตหนีแล้วนะก็จะพาตามมาจิตหนีแล้วนะบางทีมันจะร้องเพลงมันก็ร้องอยู่วักเดียวอ่ะจนจนล้ำคานะครับ <c oughs> ใช่คันนี้ก็สิ่งที่ผมติดอยู่ก็คืออผมแค่เข้าใจว่า มันเหมือนเวลาในจิตเราเนี่ยมันมันมันจะเป็นเหมือนร้านขายข้าวแกงอะครับที่มีคนมาคอยแย่งซื้อแล้วแล้วมันจะมะีผู้ซื้อคนไหนที่ชัดเจนเขาจะคนนั้นก่อนอย่างเนี้ครับแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับพอเวลาผมขยับขาปุ๊บผมรู้ปุ๊บมันจะนิ่งขึ้นมาอย่างเดียวเลยและอย่างอื่นมันจะกลายเป็นเหมือนเบลอไปเลยอะครับธรรมดานะจิตรู้อารมณ์ได้ชัดอันเดียวเลยครับของคุณตอนนี้มีปัญหาอย่างนี้คือเวลาจิตมันคิดธรรมะนะจิตมัน เพลิดเพลินนะอครับนะตัวนี้เป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะครับทำวิปัสนาเราต้องเจอในวิปัสสนูเนี้ยครับวิธีที่จะผ่านตัวนี้ไปก็คือสังเกตดูจิตเราไม่ตั้งมั่นหรอกจิตเรากระโดดเข้าไปครับจิตมันกระโจนตามความคิดในธรรมะไปครับไปจัดการตัวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไปต่อไม่ได้แล้วแล้วจัดการตัวนี้นี่คือหมายถึงว่าจะต้องจะต้องให้รู้ทันจิตที่มันกระโดดไป อ๋อครับพอรู้ฐานแล้วจิตมันจะกลับมาเข้าเข้าฐานครับถ้าจิตไม่เข้าฐานแล้วมันจะฟุ้งในธรรมะไปเลยใช่ครับแล้วมันเหมือนปิ๊งแล้วมันหลงไปเลยยาวไปเลยมันจะเรียกคนอื่นมาฟังด้วยอ๋อครับครับนะต้องใจมันต้องถึงฐานจริงๆนะแล้วมันจะหายอ๋อครับไม่ต้องตกใจนะวิปัสสนูไม่ใช่บ้านะคนทําวิปัสนาเจอทุกคนแหละแต่คนละแบบ2แบบครับปัญหามันอยู่ที่ว่าจิตมันไม่ถึงฐาน ให้รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนจิตเคลื่อนแล้วรู้ก็รู้โดยเฉพาะตอนที่คิดธรรมะจิตจะกระโดดให้รู้ทันตรงนี้นะอ๋อครับกลับบ้านได้